บัดนี้จักได้แสดงธรรมกกาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหัวข้อที่7วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิตยทาปิรุจิรังปุกผังวั น, นะวันตังอขันทะกังเอวังสุภาษิตาวาจาอภลาโหติอากุพัโต ยะถาปิรุจิรังปุผังวันณวันตังสคันทะกังเอวังสุภาสิตาวาจาสะพลาโหติสุกุปะโตความว่าดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำตามฉันนั้น แต่ว่าจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความความแตกต่างอยู่ที่มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันทานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมอีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคน ย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามว่าจาสุภาษิตก็เหมือนกันย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นำมาปฏิบัติตามหาสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้ เหมือนสีและสันถานของดอกไม้ดอกอุตภปนั้นสีและสันถานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะกลิ่นมันเหม็นจัดส่วนดอกกุหลาบแม้มีหนามแต่คนปรารถนาเพราะกลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สำคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สำคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้น พระพุทธภาสิณีพระาศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบฉัตตาปานิอุบาสกและการเรียนธรรมของพระนางมันลิกาเทวีและพระนางวาสภคติยามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ชัตตาปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์ และได้บรรลุมรคผลเป็นอนาคามีเขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสดาทุกวันความจริงอุบาสกผู้เป็นอน า, อนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถทศีลพรหมจันทร์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรคผลนั่นเอง สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างหม้อชื่อคติการะว่าช่างหม้อชื่อคติการะบริโภคอาหารหวันละครั้งประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประสเสติโกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นชัตะปาณิอุบาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดว่า เราควรลุกขึ้นตอนรับหรือไม่หนอในที่สุดเขาตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ในสำนักของพ ร, พระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าเปเสนธิ mm hmm. ก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านผู้ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นตอนรับย่อมไม่โกรธ พระราชาประส enti เห็นชัตตาปานิอุบาศกไม่รู้รับมีพระมนต์ขุ่นเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไรถวายบังคมพระาศาสดาแล้วประทับณที่อันสมควรแก่พระองค์พระาศาสดาทรงทราบความขุ่นเคืองในพระไทยของพระราชามีพระพุทธประสงค์จะบรรเทาความขุ่นเคืองนั้นจึงตรัสพรรณนาคุณของชัตะปานิอุบาศกว่ามหาบวพิษ ชาตะปานิอุบาลสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระราชาทรงสดับคุณนกถาของชาตะปานิอุบาลสกอยู่พระหฤทัยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราศาสตรทอดพระเนตรเห็นชาตตปานิอุบาลสกกั้นร่ม สวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระรานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาสกหุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่ณนะที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าทําไมจึงหุบร่มและถอดรองเท้าเสียเล่าอุบาสกข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหาพระราชาท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชา อุบาสกข้าพระองค์ทราบมานานแล้วพระราชาทราบมานานแล้วถ้ากระนั้นวันก่อนท่านนั่งอยู่ในสำนักพระศาสดาเห็นเราแล้วทำไมจึงไม่ลุกรับอุบาสกข้าแต่มหาราชวันนั้นข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากลุกรับพระราชาประเทศราชก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาพระราชา ช่างเออุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพระพุทธพจน์จะช่วยสอนธรรมแก่พวกเราในวังได้หรือไม่อุบาสกข้าพระองค์ไม่สามารถทําได้พระเจ้าข้าทําไมละ่ะเพราะธรรมดาพระราชนเทียนมีโทษมากการทาดีและไม่ดีในราชสานักนั้นเป็นกรรมหนัก พระราชาอย่าคิดอย่างนั้นเลยอุบาสกท่านอย่าได้อย่าได้นึกถึงวันก่อนที่ไม่ได้ลุกรับเราเราไม่ได้ถือโทษเลยข้าแต่สมมุติเทพสถานที่ไปของครืหัดก็มีโทษมากขอพระองค์ได้โปรดนิมนต์บรรพชิต ร, รูปใดรูปหนึ่งมาสอนธรรมเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปเฝ้าพระศ า, าสดาทูลว่าพระนางมัลลิกาเทวีและพระนางวาสพาคติยา มีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงเสเดจไปสู่ราชนิเวศเพื่อเสวยเป็นนิษเป็นเนืองนิดและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพระาศาสดาตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะไปเสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจำนั้นไม่ควรพระเจ้าประเสิทธิจึงว่าถ้ากระนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระาศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์ วันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนธรรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนพระเทระทูลว่าพระนางมณิกาเทวีนั้นทรงตั้งพระไตรศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสภาคติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพคือไม่ตั้งพระไตรเรียนไม่ท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพ พระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระอานน์แล้วจึงตรัสว่าอานนลรำที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดงเหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่พระธรรมของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายะถาปิรุจิรังปุพพังเป็นอาทิดังมีในยะ ดังพันนามาแล้วแต่ต้น8ธรทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้พระพุทธภาษิตยะถาปิปุพาราสิมหากยิรามาราคุเนระหูเอวังชาเตนมะเจนะกัตตพังกุสลังพระหุงความว่าบุคคลผู้เกิดมาแล้วควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ ทำพวงดอกไม้ได้มากจากกองดอกไม้อันมากฉะนั้นพระอัตถกตาจารย์อธิบายว่าถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำพวงดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลมากได้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 ในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไยลำพันธ์ต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบดมาทั้งสีทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาบ่งเล็บประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมจริยาคือประพฤติธรรมที่สุจริต ชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัยห0สิบก็ใกล้าตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองในเมื่อมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเร่งขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตในโลกหน้า เสมือนเรือนอยู่ประจำของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนศาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายแต่ชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพนั้นไม่ได้ทุกทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์ พระาศาสดาตรัสพระพุทธภาสิทธินี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารพนางวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดังนี้นางวิสาขาได้นามตามหลังชื่อว่ามหาอุบาสิกาเพราะได้มีอุปการะต่อพระาศาสดาและพระสงฆ์สาวกมากไม่มีหญิงใดในสมัยพุทธกาลจะทำได้อย่างนางนอกจากเป็นผู้อุปการะพระสงฆ์แล้ว ยังเป็นที่รักเหลือเกินของชาวเมืองสาวัตถีและสาเกตเพราะมีอัธยาไสายงามและกว้างขวางต้นตระกูลเดิมของวิสาขาอยู่เมืองพัทยาปู่ของนางคือเมนทะกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งของเมืองพัทยาบิดาของวิสาขาชื่อธนัญชัยเป็นเศรษฐีเหมือนกันมารดาชื่อส ม, มานาเทวี พัทยนครนั้นอยู่ในแคว้นอังคะสมัยนั้นอังคะและมะคตคงจะอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเมื่อพระเจ้าประส enti โกศลเสด็จไปทูลขอเศรษฐีใหญ่ๆกับพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานทนันชัยเศรษฐีบุตรชายคนโตของเมนทกะเศรษฐีและเป็นบิดาของนางวิสาขาไปกับพระเจ้าประส enti เมื่อเดินทางมาใกล้สาวัตถีประมาณเจ็ดโยชนัน ธนันชัยเห็นสถานที่ดีจึงทูลขอตั้งบ้านเรือนที่นั่นอ้างว่าบริวารของตนมากในเมืองสาวัตถีคนมากอัดแอพระเจ้าประสเสนธิก็พระราชทานให้ธนันชัยตั้งบ้านเมืองตรงนั้นชื่อว่าเมืองสาเกตเพราะพวกเขามาถึงในเวลาเย็นวิสาขาบุตรีของธนันชัยนั้นเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคราวเมื่อพระาศาสดาเสด็จพัทยานคร ก่อนที่วิสาขาจะย้ายตามบิดามาสู่สาเกตในเมืองสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งเศรษฐีชื่อมิขาระบุตรชายชื่อปุญณวัฒนกุมารเมื่อกุมารพอจะมีภรรยาได้แล้วบิดามารดาก็ขอให้เขาเลือกหญิงที่ชอบใจแล้วจะแต่งงานให้แต่บุตรชายบอกว่ายังไม่ต้องการมีภรรยาพ่อแม่บอกว่าทาอย่างนั้นไม่ได้ สกุลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเขาถูกบิดามารดารบเร้าอยู่เสมอบ่อยๆจึงบอกว่าหากได้หญิงที่ประกอบด้วยความงามห้าอย่างวงเล็บเบญจกัลยาณีก็จะแต่งงานถ้าไม่ได้ก็ไม่แต่งอะไรคือความงามห้าอย่างพ่อแม่ถามคือผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและไวยงามกุมารตอบ เมื่อบิดามารดาถามถึงรายละเอียดปุณวัฒน ก, กุมารอธิบายว่าผมงามเป็นผมของหญิงมีบุญนั้นคือยาวสลวยลงมาเหมือนกาหางนกยูงแล้วปลายกับช้อนงอนขึ้นข้างบนเนื้องามนั้นคือริมฝีปากแดงสดเหมือนผลตำลึงสุกเรียบชิดสนิท ด, ดีกระดูกงามนั้นหมายถึงฟันงามไม่ห่างกันเป็นระเบียบงามดุดระเบียบแห่งเพชร ผิวงามนั้นสองอย่างคือหากดำก็ดำเหมือนดอกบัวเขียวหากขาวก็ขาวอย่างดอกกันนิกาวัยงามนั้นคือแม้จะคลอดบุตรแล้วถึงสิบคนก็ยังสวยอยู่ดังเดิมพ่อแม่ของปุณณวัฒนกุมารตามใจลูกจึงเชิญพราหมณ์ร้อยแปดคนมาเลี้ยงอาหารแล้วถามว่ายิงที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจ ก, กัลยาณีมีอยู่หรือไม่พวกพราหมณ์ตอบว่ามี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 ในวันมีงานนักขัตะเลิกประจำปีในงานนี้หญิงทุกคนที่เคยปิดหน้าก็เปิดผ้าคลุมหน้าไปสู่ท่าน้าจึงเรียกกันว่าวิวะตะัตนาคขัตะเลิกงานนักขัตะเลิกเปิดเมื่องานเช่นนี้มาถึงข้าวสตรีที่ไม่เคยออกจากเรือนก็ออกในวันนี้เดินกันเป็นกลุ่มๆไปสู่ท่าน้าเพื่ออาบน้า ในวันสําคัญสําคัญของชาวอินเดียทั้งหญิงและชายนิยมไปอาบน้ําที่แม่น้ําโดยเฉพาะแม่น้ําคงขานนั้นเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ในวันอย่างนี้อนุญาตให้ชายหนุ่มเอาพวงมาลัยที่เตรียมมาคล้องหญิงสาวที่ตนชอบและขอแต่งงานได้หากทางฝ่ายหญิงพอใจก็รับพวงมาลัยไว้แล้วถามถึงชาติตระกูลของชายหนุ่มเจ้าของพวงมาลัยถ้าพอใจก็ให้ฝ่ายชายไปสู่ขอกับมารดาบิดา ดังนั้นงานนี้ชายหนุ่มผู้ดีมีสกุลจึงถือพวงมาลัยไปแอบอยู่ตามทางเพื่อมอบพวงมาลัยให้หญิงที่ตนชอบวันนั้นวิสาขาเขาออกจากบ้านไปท่าน้ำกับหญิงบริวารเวลานั้นเธอมีอายุ16ปีกำลังสาวสวยพวกพรามที่สแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณีเข้าไปยืนอยู่ที่ศาลา ร, าริมแม่น้ำเมื่อวิสาขาเดินมาจวนถึงสาราฝนก็ตก พวกหญิงบริวารกลัวเปียกจึงพากันวิ่งเข้าศาลาส่วนวิสาขาไม่ยอมวิ่งคงเดินไปอย่างปกตินั่นเองพวกพราหมณ์พิจนารณาดูหญิงอื่นๆไม่เห็นลักษณะเบญจกัลยาณีวิสาขาเข้าไปยังศาลาผ้าและอาพรเปียกโชกพวกพราหมณ์เห็นความงามสี่อย่างของนางแล้วอยากจะเห็นฟันของเธอจึงแซงพูดว่า ทิดาของพวกเราเสยชาเกินไปเมื่อแต่งงานสามีคงไม่มีอะไรกินเป็นแน่แท้ท่านว่าใครคะวิสาขาถามว่าเธอนั่นแหละแม่หนูพราหมณ์ได้ยินเสียงอันไพเราะของนางประหนึ่งเสียงกังสดานทําไมจึงว่าฉันละ่ะพราหมณ์จึงอธิบายว่าหญิงบริวารของเธอเมื่อฝนตกพากันวิ่งเข้าศาลาเพื่อมิให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียก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 ข้าชาพรแล้ววิ่งไปย่อมดูไม่งามแต่เมื่อค่อยๆเดินไปด้วยรีลาแห่งช้างย่อมดูงามบรรพชิตเมื่อวิ่งย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมติเตียนว่าสํานนี้วิ่งเหมือนครือหัดอีกพวกหนึ่งคือหญิงเมื่อวิ่งไปย่อมได้รับคําติเตียนว่าทําไมหญิงนี้จึงวิ่งเหมือนชาย ส่วนเหตุผลประการที่สองคือบารดาบิดาย่อมถนอมอวัยว ะ, วะน้อยใหญ่ของทิดามาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์หากสตรีวิ่งไปอาจเหยียบชายผ้านุ่งหรือรื่นหกล้มลงมือหรือเท้าหักก็จะต้องตกเป็นภาระของสกุลอีกส่วนเสื้อผ้านั้นเปียกแล้วก็แห้งได้ข้าพเจ้ากาหนดเหตุสองประการนี้จึงไม่วิ่ง ขณะที่นางพูดพวกพรามคอยสังเกตฟันเห็นถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งฟันของเบญจกัลยาณีแล้วจึงให้สาธุการแก่นางและกล่าวว่าสมบัตินี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยดังนี้แล้วมอบพวงมาลัยทองคําให้วิสาขาสอบถามเรื่องต่างๆทราบโดยตลอดแล้วจึงส่งข่าวถึงมารดาบิดาให้นารถมารับนางได้กลับบ้านพร้อมกับพวกพรามทั้งแดคน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 รามอยู่บ้านของธนันชัยสองวันจึงลากลับไปสาวัตถีฝ่ายมิคาระเศรษฐีบิดาของปุญนวัฒนกุมารทราบเรื่องราวจากรามโดยตลอดแล้วพอใจว่าได้ธิดาของสกุลใหญ่ควรจะรีบไปรับมาจึงกราบทูลพระเจ้าพระเศณธิโกศลพระราชาทรงทราบแล้วทรงดำริว่าตระกูลนั้นพระองค์นํามาเองควรจะทาการยกย่องให้ปรากฏ จึงตัดบอกมิคาระเศรษฐีว่าแม้พระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันมิคาระเศรษฐีได้ส่งข่าวถึงธนันชัยว่าจะมารับวิสาขาในการนี้พระราชาจะเสด็จมาด้วยพระราชาทรงมีพระราชาบริพานมากเศรษฐีพอจะรับไหวหรือไม่ธนันชัยเศรษฐีตอบว่าแม้พระราชาจะเสด็จศักดิ์สิทองค์เขาก็ต้อนรับได้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 วิสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาดมียานเฉียบแหลมคมกล้าประดุดเพชรมีบุญญาธิการมากแม้อายุยังน้อยแต่สามารถจัดงานใหญ่นี้ได้อย่างเหมาะสมไม่มีใครตำหนิได้แม้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าก็จัดไว้ให้เขาเพื่อให้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าของแขกได้มีโอกาสเที่ยวชมบ้านชมเมืองบ้างเขาไม่อาจตำหนิได้ว่าไปงานของวิสาขาไม่ได้ดูอะไรเลย เพราะต้องเฝ้าช้างเฝ้ามา้าบิดาของวิสาขาให้เรียกช่างทองมาห้าร้อยคนทำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาทด้วยทองสุกพันลิ่มเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานและเพชรมีจำนวนเท่าทองพระราชาประทับอยู่สองสามวันตรัสกับธนันชัยเศรษฐีว่าเศรษฐีจะเลี้ยงดูพวกเราก็ลำบากนักขอให้รีบส่งกุมารีไปเสีย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 เครื่องประดับของวิสาขาก็ยังไม่เสร็จฟืนสําหรับบุงต้มเลี้ยงแขกหมดเจ้าหน้าที่บอกเศรษฐีเศรษฐีให้รื้อโรงช้างโรงมา้าเก่าเก่ามาทําฟืนเมื่อโรงช้างโรงมา้าเก่าเก่าหมดก็ให้เบิกคลังผ้าเอาผ้าเนื้อหยาบทําเป็นเกลียวชุบลงในตุ่มน้ํามันทําเชื้อเพลิงพอครบสี่เดือนเครื่องประดับมหาราชปราสาทก็เสร็จต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องประดับ เครื่องประดับเพชรสทธนานแก้วมุกดา11อธนานแก้วประพาน20ทธนานแก้วมณีสามสาธนานส่วนใดที่พึงใช้ได้ใช้เงินแทนเครื่องประดับนี้คลุมศีษะยาวลงมาจหลดหลังเท้าลูกดุมทาด้วยทองห่วงลูกดุมทำด้วยเงินนกยูงตัวหนึ่งลำแผนอยู่เหนือศีษะทำด้วยวัตถุต่อไปนี้ขนปีกขวาทำด้วยทองห้าร้อยขน ขนปีกซ้ายทำด้วยทองห้าร้อยขนจะ ง, งอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมะนีคอและเวลหางทำด้วยแก้วมะนีก้านขนทำด้วยเงินขาทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้มีราคา9โกดวงเล็บ90้ล้านค่าจ้างทำวงเล็บค่าแรงงานหนึ่งแสน ท่านกล่าวว่าการได้เครื่องประดับมหาระดาประสาทนั้นเป็นผลแห่งการถวายจีวรส่วนชายย่อมได้รับจีวรและบาดอันสำเร็จด้วยฤทธิ์เป็นอานิสงแห่งจีวรทานในการแต่งงานบุตรีข่าวนี้เศรษฐีได้ให้อุปกรณ์เครื่องเรือนทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรีต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น mm hmm. เกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยนอกจากนี้ยังให้โคไปอีกเปน็นจนวนมากนับเป็นหมื่นมื่นตัวแต่ คนใช้ชายหญิงนั้นเศรษฐีไม่ได้จัดแต่ให้สมัครใจไปเองปรากฏว่ามีคนติดตามไปเป็นอันมากจนพ่อผัวเห็นแล้วตกใจให้คนไล่กลับเสียไม่น้อยแม้นางวิสาขาจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาจะเลี้ยงตัวเขาเองมิขาระเศรษฐีก็หาฝังไม่วิสาขาเป็นผู้พูดจาไพเราะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงปรากฏว่าเป็นที่รัก ที่นิยมของคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถินั้นคนทั้งหลายได้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้เป็นอันมากวิสาขาก็จัดแจงแจกจ่ายไปให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านนอกจากนี้วิสาขายังมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งนางลาแม่มมาอาชนัยตกลูกนางได้ให้หญิงคนใช้ถือประทีปลงไปดูพร้อมกับนาง ให้อาบน้ำอุ่นให้และให้ทาน้ำมันให้ส่วนวิขาระเศรษฐีนั้นเลื่อมใสในพวกสีเปลือยเมื่อทําอาวาหะมงคลบุดเสร็จแล้วระลึกถึงสีเปือยจึงให้นิมนต์มาจํานวนร้อยเลี้ยงอาหารอย่างดีและให้คนไปตามสภัยมาไหว้พระอาหารหันต์พอได้ยินอาหารหันต์วิสาขาก็ดีใจว่าได้ไหว้พระที่เคารพเพราะตนเองเป็นโสดาบันแต่พอมาเห็นอาหารหันต์เปือยของพ่อผัวเข้า เธอก็กระดาษคิดว่าคนปราศจากนิริโตตประเส่นนี้จะเป็นพระอระหันต์ไม่ได้ทำไมพ่อผัวจึงให้เรียกเรามาดังนี้แล้วไม่ไว่ายไม่นั่งกลับไปเสียเฉยๆพวกชีเปลือยเห็นอาการของนางวิสาขาแล้วติเตียนเศรษฐีเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรือจึงเอาหญิงกาและกินีอย่างนี้มาเป็นสะพายจงขับไล่นางออกจากเรือนเสียโดยเร็วเถิด เศรษฐีคิดว่าสไพ้ยของเรามาจากตระกูลใหญ่จะขับไล่นางออกด้วยเหตุเพียงคำพูดของพระคุณเจ้าหาควรไม่ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าถือเลยนางเป็นเด็กทำไปด้วยรู้บ้างไม่รู้บ้างเมื่อพวกสีเปลยไปแล้วมิคาระเศรษฐีนั่งรับประทานข้าวมัทุบ ป, ปายาตวงเล็บข้าวต้มน้ำตาลเจือน้ำนม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 เมื่อพราหมณ์ทั้งแดคนมาแล้วเศรษฐีจึงเล่าเรื่องให้ฟังพราหมณ์ถามวิสาขาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่วิสาขาตอบว่าฉันไม่ได้เจตนาว่าพ่อผัวว่าบริโภคของไม่สะอาดแต่ฉันหมายความว่าพ่อผัวของฉันมั่งมีสีสุขอยู่บัดนี้เพราะบุญเก่ามิต้องทำงานเหนื่อยแรงก็มีกินมีใช้ฉันจึงว่าท่านบริโภคของเก่าฉันหมายความอย่างนี้ พราหม์กล่าวว่าในเรื่องนี้ท่านไม่สามารถกล่าวโทษธทิดาของพวกเราได้ธิดาของเรากล่าวชอบแล้วเหตุไรท่านจึงโกรธเสียฐีจึงกล่าวว่าถึงวิสาขาจะพ้นจากโทษอันนี้ก็จริงแต่ยังมีโทษอื่นอีกมากคืนหนึ่งในมัชิมยามนางวิสาขาและคนใช้หญิงชายหลายคนลงไปหลังเรือนลงไปทําไมวิสาขาชี้แจงว่านางลาแม่ม้าอาชนา伊ตัวหนึ่งตกลูก ฉันจึงให้คนใช้ถือประทีบลงไปดูช่วยเหลือมันเท่าที่พอช่วยเหลือได้ฉันจะมีความผิดอย่างไรในเรื่องนี้เศรษฐีได้กล่าวโทษอื่นอีกเกี่ยวกับโอวาทสิบข้อที่บิดาของวิสาขาได้กล่าวสอนเธอในคืนหนึ่งก่อนส่งตัวมายัางสกุลของสามีเศรษฐีมิคาระกล่าวว่าการให้โอวาทแก่บุตรีเช่นนั้นไม่ควรเช่นข้อที่หนึ่งว่าไฟในอย่านําออกก็เมื่อไฟที่บ้านของคนอื่นดับ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 วิสาขาอธิบายตามลำดับดังนี้ข้อว่าไฟในอย่านําออกนั้นหมายความว่าเมื่อเหตุโทษของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วอย่านําโทษนั้นไปกล่าวให้คนภายนอกรู้ข้อว่าไฟนอกอย่านําเข้านั้นหมายความว่าเมื่อคนบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวหรือของสามีก็จงอย่านําคําเหล่านั้นมาพูดให้ท่านฟังอีก ข้อว่าเจ้าจงให้แก่คนที่ควรให้นั้นหมายความว่าใครยืมเงินหรือของใช้ไปแล้วนำมาส่งคืนให้ในเวลาอันควรก็จงให้แก่บุคคลเช่นนั้นข้อว่าจงอย่างให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าใครมายืมเงินทองของใช้แล้วไม่ส่งคืนจงอย่างให้แก่บุคคลเช่นนั้นอีกข้อว่าจงให้แก่บุคคลทั้งที่ให้และไม่ให้นั้น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 ข้อว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีพึงดูแลปรณิบัติท่านให้บริโภคให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงบริโภคในภายหลังข้อว่าพึงนอนให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่พึงนอนก่อนสามีพ่อผัวหรือแม่ผัวพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้นอนให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงนอนในภายหลังข้อว่า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 พึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นโดยเคารพพึงเคารพอ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้นเศรษฐีมิคาระฟังคำอธิบายโอว่าทั้งสิบข้อแล้วไม่อาจโตเถียงอะไรได้นั่งก้มหน้านิ่งอยู่พราหมณ์ถามว่าท่านเศรษฐียังมองเห็นโทษอะไรอะไรอีกแห่งทิดาของเราอยู่อีกหรือไม่ไม่มีแล้วเศรษฐีตอบค่อนข้างอายเล็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะขับไล่ทิดาของเราด้วยเหตุไร ท่านทำไปโดยไม่มีเหตุผลเลยเมื่อเศรษฐีนั่งนิ่งอยู่วิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อบิดาแห่งสา ม, มีขับไล่ให้ออกจากบ้านฉันยังไม่ออกก็เพราะยังไม่ทราบว่าฉันมีความผิดถูกประการใดแต่บัดนี้ได้รู้แน่นอนแล้วว่าฉันไม่มีความผิดฉันพร้อมที่จะกลับบ้านอย่างผู้บริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจัดยานพาหนะไว้ให้พร้อมเศรษฐีเห็นเหตุการณ์เป็นดังนั้นจึง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 วิสาขาดีใจเหลือเกินเมื่อเศรษฐีพ่อผัวบอกอนุญาตให้ทำบุญให้ทานได้ตามปรารถนาในวันรุ่งขึ้นนางจึงทูลนิ ม, มนต์พระศ า, ศาสดาและภิกษุเข้ารับพัฒตาหารที่เรือนของตนพวกสมณะเปลือยรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเรือนของมิขาระก็พากันมานั่งร้อมเรือนไว้วิสาขาถวายน้ำแด่พระศาสดาแล้วส่งคนไปตามพ่อผัวว่าขอให้มาอังคาด คือเลี้ยงดูพระทศพลด้วยเถิดแต่พวกชีเปลือยคอยห้ามเศรษฐีไว้ว่าไม่ควรเข้าใกล้พระสมณะโคดมเศรษฐีจึงให้คนไปบอกวิสาขาว่าจงเลี้ยงพระพุทธเจ้าเองเถอะท่านไปไม่ได้เมื่อพระาศาสดาเสวยเสร็จแล้ววิสาขาส่งข่าวไปอีกว่าขอให้บิดามาฟังอนุโมทนาเศรษฐีคิดว่าเมื่อลูกสะพ้ยส่งคนมาตามถึงสองครั้งแล้วการไม่ไปนั้นไม่สมควร ประกอบกับตนอยากฟังธรรมอยู่ด้วยแต่พวกสีเปื้ยพยายามทัดฐานไว้เมื่อรู้แน่ว่าไม่สามารถห้ามเศรษฐีได้จึงบอกว่าไปฟังก็ได้แต่ควรจะฟังนอกม่านพวกสีเปือยพากันล่วงหน้าไปกั้นม่านไว้ให้เศรษฐีฟังธรรมนอกม่านเศรษฐีก็ทาอย่างนั้นพระศาสดา น, นั้นทรงมีบุญญาที่การมากทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยมแม้บุคคลอยู่คนลฟาภูเขาฝากแม่น้า หากมีประสงค์จะให้ได้ยินพระธรรมเทศนาบุคคลนั้นย่อมได้ยินไม่ต้องพูดถึงนั่งเพียงนอกม่านดังนั้นเมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วพระศาสดาจึงเริ่มอนุปพิกาและทำปริยายอื่นๆอีกท่านว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุปมาดังดวงจันทร์คือคนทั้งหลายมองเห็นดวงจันทร์อยู่เหนือศีสะของตนอยู่ตรงบ้านของตนไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ในที่ใด หรือบ้านของเขาจะอยู่แห่งใดพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอยู่คนฟังเข้าใจว่าตัดอยู่กับตนท่านว่านี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทรงธรรมมาดีทรงบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากเช่นบุตรภรยาอันเป็นที่รักเลือดเนื้อและชีวิตเป็นต้นพระศาสดาทรงสแสดงธรรมโดยอเนกปริยายมุ่งเอามิขาระเศรษฐีเป็นสําคัญเศรษฐีทรงกระแสจิต ไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปติผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหววงเล็บอาจาระศรัทธาหมดความสงสัยในขุนพระตนะไตรยยกชายม่านขึ้นจูมพิษฐานหญิงสะั้ยแล้วยกให้เป็นมารดาของตนในฐานะได้ชักชวนให้มองเห็นแสงสว่างทางชีวิตคนทั้งหลายจึงเรียกพิสาขาว่ามิขาระมารดา เศรษฐีปล่อยหญิงสะพยแล้วมาจุมพิษพระบาทของพระศ า, าสดาประกาศชื่อของตนสามครั้งเป็นธรรมเนียมนิยมแห่งการแสดงความเคารพวงเล็บเหมือนทหารรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาต้องออกชื่อตัวและยศแต่ไม่ต้องประกาศถึงสามครั้งและทูลว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทานที่บุคคลทำแล้วในศาสนานี้มีผลมาก เพราะได้อาศัยหญิงสะพยจึงสามารถผลจากอบายทุกทั้งปวงวิสาขามาสู่เรือนของข้าพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้วิสาขาทูลอารัธนาพระาศาสดาและนิมนต์ภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันอาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นอีกตั้งแต่นั้นมาเรือนของมิคาระและวิสาขามีประตูอันเปิดแล้วเพื่อพระพุทธศาสนา เศรษฐีคิดว่าวิสาขามีอุปการะมากต่อตนอยากจะให้บรรณาการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นปฏิการะตรองเห็นว่าเครื่องประดับมหารดาประสาทของวิสาขานั้นหนักนักสวมใส่ไม่ได้ทุกโอกาสจึงปรารถนาทําเครื่องประดับเบาๆให้ลูกสะพ้ยซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสให้เรียกช่างทองมาให้ทาเครื่องประดับเบาๆชื่อคณะมัตกะ คงจะแปลว่ากลมกลมเกลี้ยงเี้ย ง, ร, งราคาไม่แพงนักคือแสนหนึ่งเมื่อเครื่องประดับเสร็จแล้วเศรษฐีได้ทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาเสเวยให้วิสาขาอาบด้วยน้ำหอม16หหม้อเป็นสํานวนนิยมแล้วมอบเครื่องประดับใหม่ให้ให้ยืนถวายบังคมพระศ า, าสดาอยู่ณนะที่อันควรแก่ตนจําเดิมแต่นั้นมาวิสาขาทําบุญมากมีทานเป็นต้น ได้รับพร8ประการในสำนักภาษาสดาเธอปรากฏตนประหนึง่งจันทะเลขาวงเล็บคือวงจันในกลางนภาอากาศสว่างรุ่งเรืองมีรัศมีอันเย็นสนิทเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้เข้าใกล้และได้ประสบพบเห็นเธอมีบุตรธิดามากถึง20สิบคนบุตรธิดาแต่ละคนมีลูกชายสิบคนลูกหญิงสิบคน หลานของเธอก็เหมือนกันเธอมีอายุร2 0ยปีแต่ยังสวยพริ้งเหมือนสาวสาวเมื่อเดินไปวัดกับบุตรหลานคนที่ไม่รู้จักมาก่อนย่อมดูไม่ออกว่าคนไหนคือวิสาขาบุตรคนหนึ่งของเธอชื่อมิขาระเหมือนปู่ของเขาเมื่อเธอเดินคนทั้งหลายก็อยากเห็นเธอนั่งนอนยืนคนทั้งหลายก็อยากเห็นเพราะงานทุกอิริยาบถ บุตรล้านของนางล้วนรูปงามผิวพรรณดีไม่มีโรคไม่มีใครตายเมื่อยังหนุ่มสาวทั้งนี้เป็นด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญของนางนางต้องไปงานมงคลอวะมงคลในเมืองสาวัตถีมิได้ว่างเวน้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องสุมนาเทวีวงเล็บเรื่องที่สิบสามแห่งยะมะกะวัตเกี่ยวกับพรน้นเป็นพรเกี่ยวกับการขออนุญาตถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่พระสงฆ์ เส้นเมื่อพระจะเข้าปรรษาขอถวายผ้าอาบน้ำผลเป็นตน้นวันหนึ่งบริโภคอาหารในที่รับเชิญแล้วในงานนั้นนางต้องแต่งเครื่องมหาราชาประสาทไปด้วยแต่เห็นว่าจะแต่งเครื่องประดับเช่นนี้เข้าเฝ้าพระศาสดาไม่เหมาะจึงเปลืองเครื่องประดับให้คนรับใช้ถือไว้ส่วนตนเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยเครื่องประดับลำลองชื่อคณะมัตตกะที่พ่อผัวทําให้ เมื่อสดับธรรมพอสมควรแล้วก็ถวายบังคมลาแล้วไปเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุสงฆ์กับสหายคนหนึ่งชื่อสุปิยาเพื่อพระรูปใดต้องการอะไรจะได้ถวายเมื่อเยี่ยมพระเสร็จแล้วออกมาถึงประตูวัดเชตวันจึงถามหาเครื่องประดับมหารดาประสาทแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมไว้ที่วิหารพระอานน์เก็บไว้เมื่อคนรับใช้จะกลับมาเอาเครื่องประดับวิสาขาสั่งว่า ถ้าพระคุณเจ้าอานนลเก็บไว้ก็ไม่ต้องรับคืนมาและความจริงก็เป็นเช่นที่วิสาขาคาดหมายพระอานน์ได้เก็บไว้เป็นธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าหากผู้ที่มาฟังธรรมลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นหน้าที่ของพระอานน์ที่จะเก็บของนั้นไว้จนกว่าเจ้าของมารับคืนเมื่อหญิงรับใช้ของวิสาขามารับเครื่องประดับมหาราดาประสาททราบว่าพระอานน์เก็บไว้นางจึงกล่าเปลี่ยนท่านว่า นายหญิงไม่ให้รับคืนสิ่งของที่ท่านจับต้องแล้วนางรีบกลับไปบอกนางวิสาขาวิสาขาบอกว่าจะไม่ประดับเครื่องนั้นอีกแต่ครั้นจะให้พระคุณเจ้าอาณน์เก็บไว้ก็จะลำบากกับการรักษาจึงให้หญิงควรใช้ไปรับกลับมาแต่ไม่ได้ประดับเพราะความเคารพในพระอานน์นางต้องการขายเครื่องประดับนั้นเพื่อ น, นาเงินมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งถวายสง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 ท่านว่าในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นมีผู้หญิงมีบุญอยู่สามคนเท่านั้นที่ได้เครื่องประดับมหาราาปราศาสตร์คือวิสาขาหนึ่งมัญลิกาภรรยาของพันธุระเสนาบดีหนึ่งและลูกสาวเศรษฐีเมืองพาราณสีหนึ่งเมื่อขายคนอื่นไม่ได้วิสาขาจึงรับซื้อเครื่องประดับนั้นเสเองแล้วขนเงิน90้าสิบล้านหนึ่งแสนใสเกวียนนาไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องทั้งปวงและความเห็นทั้งปวงของตนให้พระาศาสดาทรงทราบและทูลถามว่าตนควรจะทำอย่างไหนในปัจจัยสี่พระาศาสดาตรัสว่าวิสาขาตถาคตเห็นว่าเธอควรสร้างที่อยู่เพื่อสง์ใกล้ประตูทางทิศตะวันออกแห่งนครวิสาขาดำเนินตามพระดารัสแห่งพระตถาคตได้เอารัพย์90สล้านซื้อที่ดินและอีก เกล้านสร้างที่อยู่เพื่อสงฆ์สร้างอยู่9เดือนจึงสําเร็จเรียบร้อยนางบริจาคทรัพย์อีก90้ล้านในการฉลองวัดวัดนั้นให้ชื่อบุพพารามเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งนครสาบถีการสร้างวัดครั้งนี้เป็นการบริจาคกันยิ่งใหญ่ของวิสาขาซึ่งหญิงอื่นๆทําได้ยากละเกินความสําเร็จครั้งนี้ทําให้วิสาขาปีติภาคภูมิละเกินเพราะ ความปรารถนาหลายอย่างที่ฝังใจอยู่นานได้สําเร็จลงดังนั้นเมื่อเลี้ยงพระเพนเสร็จแล้วตกบ่ายวิสาขาพร้อมได้บุตรและหลานเดินเวียนรอบปราสาทรอบปราสาทในบุพารามนั่นเองเปล่งอุทานด้วยความชื่นบานว่าความดําริของเราในการสร้างวิหารทานถวายสงหนึ่งสร้างเตียงตั้งฟูกหมอนและเสนาสนพันต่างๆหนึ่งถวายโภชนะทาน อันปณิธิแก่สงฆ์หนึ่งถวายจีวรทานด้วยผ้าชนิดต่างๆหนึ่งถวายเพสัตธานมีเนยใสยเนย้นเป็นต้นหนึ่งบัดนี้ความดำริทั้งปวงของเราได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วเข้าใจว่านางขับร้องเพราะมีจิตวิปลาดไปจึงกราบทูลพระาศาสดาพระพุทธองค์ตัดว่าภิกษุทั้งหลายธดาของเราหาขับเพลงร้องรำแต่ประการใดไม่ แต่เธอกระทำเช่นนั้นเพราะรู้สึกว่าอัจฉสัยและความปรารถนาต่างๆของเธอได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้บรรลุถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งกุฏ า, านด้วยความเบิกบานใจภิกษุทั้งหลายทูล ถ, ถามว่าเธอตั้งความปรารถนาไว้แต่การไรพระศาสดา จ, จึงตัดเล่าความปรารถนาในอดีตของวิสาขาให้ภิกษุทั้งหลายทราบดังนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทมุตตระวิสาขาเป็นเพื่อนของหญิงยอดอุปถายิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเธอได้เห็นหญิงสหายสนิสนมกับพระพุทธเจ้ามากพูดกับพระาศาสดาด้วยความคุ้นเคยเธอปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงทูลถามพระปทุมุตตระพุทธเจ้าว่าหญิงนั้นได้ทํากรรมอะไรไว้จึงได้เป็นยอดแห่งอุปถายิกา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 ในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกแก่พระสงฆ์เพื่อใช้ทำจีวรถวายบังคมพระาศาสดาแล้วหมอบลงแทบพระบาทตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ด้วยอำนาจผลแห่งทานนี้หม่อมชั้นไม่ได้ปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ขอให้หม่อมชั้นพึงได้รับพร8ประการในสานักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ ตั้งอยู่ในฐานะดุลมารดาเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้สามารถบำรุงด้วยปัจจัยสี่พระาศาสดาทรงรับรองว่านางนานจากสำเร็จความปรารถนานั้นในาศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านางบำเพ็ญอยู่จนตลอดอายุเมื่อจุติจากกาตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นเวลานานต่อมาในาศาสนาแห่งพระกัะสสปทศพล นางมาเกิดเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องพระนามว่าสังฆาสีของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกินางได้ตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมแม้ในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษ ย, ยโลกอีกนานมาในศาสนานี้การละบัตินี้นางมาเป็นธิดาของธ น, นชัยเศรษฐี นั้นนำเรื่องอดีตมาเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายจบแล้วพระศาสดาจึงตัดต่อไปว่านี่แหละภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาร้องรําทําเพลงแต่ประการใดไม่แต่เธออุทานด้วยความเบิกบานใจที่ความปรารถนาในบุญกุศลทุกอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายจิตของวิสาขาธิดาแห่งเราย่อมน้อมไปในกุศลอยู่เสมอ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 ณจันทนังตครมณนิกาวาสตัญจะคันโทปฏิวาตเมติสภาทิสาสัปุริโสปวายติจันทนังตะครังวาปิอุปรังอัตวัตสิกีเอเตสังคันทชาตานังศีลขันโธอนุตตโรความว่ากลิ่นดอกไม้ทวนลมไม่ได้กลิ่นจันทลิ่นสนากลิ่พักก็ทวนลมไม่ได้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 รวมทั้งกลิ่นศีลและเกียรติคุณของคนดีกอื่นอันพวกเรายังต้องศึกษาประวัติและผลงานของเขาอยู่จนบัดนี้คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ก่อนพวกเราถึงสองพันถึงสันปีแต่กลิ่นศีลกลิ่นแห่งความดีของท่านก็ยังฟุ้งตลบอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสสดาจึงตัดว่าบรรดากลิ่นทั้งหลายกลิ่นศีลเป็นเยี่ยม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 กินอะไรหนอที่ฟุ้งไปทวนลมได้ท่านเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามข้อสงสัยนั้นพระาศาสดาตรัสตอบว่ากลิ่นศีลฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมโดยใจความพระพุทธพจน์ดังนี้อาน o ์หญิงหรือชายก็ตามถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นจนถึงสุรามีไรเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม ปราชะจากความตรณีอันเป็นมนทินมีอัธยาศัยน้อมไปในทางเสียสละคนจนพอขอได้คนเช่นนั้นย่อมได้รับสรรเสริญจากสมณพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายกลิ่นแห่งความดีของเขาย่อมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมดังนี้แล้วตรัสพระขาถาว่าณปุพพคันโธปรวิปฏิวาตเมติ เป็นอาธิมีระยะดังอธิบายมาแล้วแต่ตนยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันลเกตภ า, าติ กับเกลียวกับเรื่องความหอมของดอกไม้กับของคุณธรรมดอกไม้หอมทวนลมไม่ได้ไปตามลมแต่คุณศีลคุณธรรมนียย่อมทวนลมได้ก็ให้แงคิดหลายอย่างนะแต่ที่น่าคิดเตือนใจก็คือท่านพูดถึงเกี่ยวกับอายุอายุไขเนยะ ยากนะที่จะมีบุญญาธิการบุญบา ร, รมีเนะี่ยเหมือนตระกูลของนางวิสาขาเนี่ยตระกูลของนางวิสาขา น, ะข น, าาขานเป็นตระกูลที่สั่งสมบุญญาบา ร, รมีมาไม่ใช่น้อยนะเป็นกลับเป็นกันฉะนั้นจึงไม่มีใครตายก่อนวัยอันควรหนัวงวัยอันควรอายุในน้อ ย, อ ย, อยตายไม่มีอายุมากสมควรแก่อายุ ถึงตา ย, นายาเนี่ยยากนนี่ถึงเลยว่าคนมีบุญสมัยเราก็มีอยู่บ้างแต่มันน้อยนแล้วคนที่มีอายุยืนเนี่ยส่วนมากก็จะมีคุณธรรมพิเศษประจำตัวเขาอยู u นี่ไม่เฉพาะแต่ออกกำลังกายอย่างเดียวนยจิตใจต้องดีด้วยนี่ถ้าจิตใจไม่ดีเครียดบ่อยๆมันก็อายุไม่ยืนเหมือนกันแม่ก็จะ ไม่ใช่ผู้ที่นับถือพุทธศาสนานแต่ก็รู้จักใช้อุบายในการทำใจนรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางนะคนที่เขานับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาคิดเป็นคิดอย่างนักปรารเขายังใช้อุบายจริงๆก็เป็นธรรมะนั่นแหละเ่เขาก็เอาไปใช้นใช้ในคำในศัพท์ที่พุทธศาสนาเราใช้ด้วยนย เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกทั้งหลายมันเกิดเพราะความยึดเนี่ยเราไปห่วงโน่นห่วงนี่มากเกินไปเขว่าเนี่ยนั่นก็คือสัจธรรมเนี่ยสัจธรรมความจริงนี่ถึงว่ามันไม่ได้ขึ้นกับศาสนาเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่อุบายปัญญาของผู้นั้นเนี่ยที่จะนํามาใช้ถ้าอุบายปัญญามีมียานมองเห็นเนี่ยก็เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยนะ ถ้ามันถูกนะถ้าคิดถูกมันก็ดับทุกได้ถ้าคิดไม่ถูกมันก็ผิดหลักธรรมถ้าคิดถูกมันก็เข้าสู่หลักธรรมมันก็เลยทำให้แก้ปัญหาได้ดับทุกได้การจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องรักษาอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอถ้าอารมณ์ดีก็จะเป็นคนงามเราอย่างนางวิสาขาอัธยาไซงามพูดจาดีไพเราะ เห็นไหมวาจาที่สําคัญเนี่ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจนี่การให้การเสียสละการให้ก็คือความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็ทําให้เกิดความรักนีวาจานีก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจเนี่เรียกว่าปิยวาจาเนีเจรจาไพเราะอ่อนหวานเนี่ยได้ยินก็อยากจะฟังอยากเข้าใกล้นี่ฟังแล้วไม่รู้จักเบื่อ มันชื่นใจเพราะงั้นแตะการประพฤติตนเนี่ยต่อบุคคลก็วางตัวได้เหมาะสมไม่ดูหมิ่นดูถูกแล้วไม่เบ่งรู้จักกาละเทศะปรับตัวเข้ากับสังคมหรือกับบุคคลเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัติการดำเนินชีวิตเนี่ยที่พอเหมาะพอควรพองามนไม่เป็นคนสุรุยสุร้ายมากเกินนย ก็เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายคนทั้งหลายเห็นก็ชอบใจชื่นใจอยากเข้าใกล้เนี네่ยมันจึงมี overtime, สเสน่ห์เรียกว่าเป็นเสน่ห์ไม่ต้องไปหาเสน่ห์ที่ไหนคนก็เข้ามาหานะไม่ต้องไปหาเมตตามหานิยมแต่ก็มีคนเข้ามาหาเข้าม า, านใกล้นี่เกิดขึ้นจากคุณธรรมดังนั้นดังนั้นท่านจึงเป็นตัวอย่างตัวอย่างของ มหาอุบาสิกานถ้าเป็นฝ่ายบำรุงราศาสนาทางอุบาสกทางผู้ชายก็ท่านอานาถะเป็นนักเสียสละอัตฉริยะไซงามเผื่อเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีมีความอดทนนแม้จะถูกว่าถูกอะไรก็อดทนนี่แล้วก็มั่นในบุญกุศลด้วยนี่แม้ถึงข่าวยากจน จนแทบจะไม่มีอะไรกินกินข้าวกับผักดองเนะี่ยก็ยังอดทนไม่เลิกละเรื่องความดีเนะี่ยยังทำความดีอยู่นะแม้พวกมิจฉาทิฏฐิจะมาบอกว่าโอ้ยเพราะท่านบำรุงศาสนานะเนี่ยเาแต่ข อ, องไปให้พระเจ้าพระสงสฉันมันก็หมดสิเนะี่ยท่านยังไม่รู้สึกตัวอีกหรือเนะี่ยไปว่ามากๆ ก, ก็โดนดุอกีกโดนว่าคืนไปอีกเนะี่ย บอกว่าเป็นหาว่าเป็นคนผ่านเนี่คนไม่รู้จักความดีนี่ความดีก็คือความดีกรรมก็คือกรรมนี่คนเรามันมีทั้งกรรมกรรมที่ทํามาแล้วนะส่วนความดีที่ทำไว้มันก็เป็นความดีเยอะนั่นแหละส่วนกรรมก็ต้องใช้หนี้กันไปรับผลของกรรมไปเนี่แต่ความดีก็ไม่ทิ้งมันอยู่ในความดีเห็นไหมในเรื่องของอนาตะก็มีเรื่องน่าฟังเหมือนกันนะมีเรื่องน่าฟัง มีเรื่องพิสดานเยอะเราก็คงอาจจะหาศึกษาฟังกันได้นะก็มีอยู่แล้วนางวิสาขาก็มีเรื่องพิสดานเหมือนตั้งแต่ตัว เ, เล็กๆนะมากับเพาะใหญ่บานมาสร้างเมืองสาเกตอยู่ทางตะวันออกของพระเจตะวันพระเจตะวันนะั้นเะป็นของธานาถะแล้วแต่ปัจจุบันเขายังหาจุดไม่เจอสงสัยไม่ได้สร้างถาวรเหมือน ของธนาธาอาจจะเป็นไม้ก็ได้นะเป็นไม้มันก็สูญหายเร็วรู้แต่ว่าเป็นอยู่ทางตะวันออกเพราะให้ชื่อว่าบุพารามนะอยู่ทางทิศบุรพาก็ก็ค้นหากันอยู่แต่ไม่เจอมันก็ตั้งสองพันกะว่าปีแล้วเกือบาพันอยู่แล้วเนี่ยมันก็สูญหายไปกลายเป็นดินเป็นไรไปหมดแล้วส่วนที่มันเหลืออยู่นี่ พระเจ้าอโศกร้องมาฟื้นฟูถ้า่างนั้นก็ไม่เหลือเหมือนกันเนี่ยพระเจ้าอโศท่านมาสืบต่อเอาไว้มาทำเอาไว้เนี่ยเมื่อประมาณพศส0มรยบประมาณโดยประมาณเนี่ยท่านก็ทำสร้างเป็นหลักฐานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ย้อนยุคได้ไปเห็นะเป็นเหตุให้ลํำลึกถึงความรุ่งเรืองในศา ส, สนาในสมัยก่อนนู้นเนี่ย ก็ ه, เป็นเหตุใ้ปลูกศรัทธาภาษาตะขึ้นมานทำให้เห็นความสำคัญในาศาสนาเป็นคนรักาศาสนานและก็เยกันจันโรงาศาสนาเอาไว้ก็คงเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง